อีกเรื่องหนึ่งนะมหาสุทัศนจริยาข้อสี่จริยาปิดกแบอบกว่าเมื่อเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะมีพลานุภาพมากได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีะนะเมืองนั้นก็อยู่ที่ที่ไหนกุสินาราทุกวันนี้แหละ <c oughs> ในการนั้นเราได้สั่ง ให้ประกาศทุกๆวันวันละสามครั้งว่าสั่งประกาศทุกวันเลยนะใครอยากหรือใครปรารถนาอะไรเราจะให้ซับอะไรแก่ใครๆคือใครต้องการซับเราจะให้ซับใครหิวเราก็จะให้ใครใครหิวก็คือให้อาหารใครกระหายก็ให้น้ำใครต้องการดอกไม้ก็ให้ดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไรใครต้องการผ้าสีต่างๆก็จงเอาไปนุ่งไปโฮม ใครต้องการร่มไปในหนทางก็มารับเอาใครต้องการรองเท้าอันอ่อนงามก็มารับเอาไปเราให้ประกาศดังนี้ทั้งเวลาเช้านะทั้งเวลาเย็นและเวลาเที่ยงประกาศวันละสามครั้งใครต้องการอะไรสรุปมาเอาทานนั้นที่เราตกแต่งเพื่อจะให้ไม่ได้แต่งไว้แต่งไว้โรงทานไม่ใช่มีแค่สิบแห่งหรือร้อยแห่งแต่ที่แท้เราตกแต่งทรัพย์สําหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่ง เองถ้ากล่าวตามมาัตตกะถาก็คือแปดหมืสี่พันแห่งนั่นเองเนะจะเรียก ว, ว่าแต่ตั้งโรงทานไว้แปดหมื่นสี่พันโรงทานเพราะวันนี้พกจะมาในเวลากลางวันก็ตามมาในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือแล้วก็กลับไปทุกคนนี่จะจะมาได้ตามความต้องการหมดเลยนะนะถ้าใครไปอ่านมหาสุทัศนสูตรนี่จะไม่แปลกใจเลย ว, ว่า ท่านทำได้จริงๆเพราะท่านมั่งมีจริงๆเป็นกระสับที่ร่ำรวยมากเราได้ให้มหาทานเห็นป่านนี้จนตราบเท่าสิ้นชีวิตเราได้ให้ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็าหาไม่ได้และเราไม่มีการสั่งสมก็าหาไม่ได้พระราชาเนี่ยนะม่ถามว่าท่านรังเกียรทรัพย์หรื อ, อยังไงท่านจึงใ hey, hey, hey ห้ให้ให้เหลือเกินไม่ท่านเกลียทรัพย์ใช่ไหมก็ไม่ใช่ท่านไม่ต้องการสั่งสมใช่ไหมบอกไม่ใช่ ทรัพท่านก็ต้องกาอ่าทรัพย์ท่านก็ไม่รังเกียจความสังสมท่านก็ยังมีอยู่แต่เหตุผลเปรียบเหมือนคนไข้เปรียบเหมือนคนไข้กระสับกระส่ายปรารถนาเพื่อจะพ้นโรคต้องการให้หมอพอใจด้วยทรัพย์จึงจะหายจากโรคหมายความว่าถ้าจะให้หมอรักษาก็ต้องมีค่าอยู่ค่ายาใช่ไหมก็ต้องมีทรัพย์เพื่อจะจ่ายค่าดูแลพยาบาลรักษาฉันใดแม้เราก็ฉันนั้นรู้อยู่ว่า ทานนบริจาคเป็นอุบายเครื่องเปลื้องตนเปลื้องตัวเองให้ออกจากวัตฏะเนี่ยนะก็ต้องอาศัยทานและทานนบริจาคเป็นเครื่องเปลื้องสัตว์โลกทั้งสิน้นให้พ้นจากโลกทั้งสิน้นให้พ้นจากโลกคือสังสารทุกข์ได้ทั้งสิน้นจึงบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษมีเหลือเราว่าต้องให้จริงๆน่ยนะถ้าให้แล้วจะเปลื้องตัวพระองค์เองให้พ้นจากวะตะัตฏะเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นจากวะตะัตฏะ เพื่อยังใจที่พร่องให้เต็มถามว่าใจที่ยังพร่องก็คือใจอะไรที่ยังพร่องถ้าสัพพัญญุตยานไม่เกิดถือว่าพร่องเพราะยังไม่เต็มพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องให้จนกว่าสัมโนนว่าถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ชื่อว่าเต็มถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่ายังไม่เต็มมันจะต้องถมไปเรื่อยๆถมใจตัวเองด้วยการให้ทานถมบุญกุศลให้เกิดในจิตในใจจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า ฟันเราให้ทานเนี่ยนะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรในของที่ให้ไปแม้แต่นี้เดียวแต่ถามว่ารังเกียจของที่ให้ไหมบอกไม่แล้วก็เป็นการให้แบบไม่ได้หวังเพื่อจะเป็นพระราชามหากษัตริย์อะไรเป็นต้นแต่ให้เพื่อบรรลุสัมโธทยานให้เพื่อบรรลุอรหัตตมัคคานเพื่อบรรุอาสาธรณญ า, านบรรลุเวสารชยานบรรลุทศพลยานเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงให้ทาน ธรรมไม่ให้เนี่ยสร้างฐานไม่ดีทางจิตใจเนี่ยนะ mm. ก็ไม่คู่ควรที่จะตรัสรู้ mm. ก็ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าให้ทานมาในน้อยเนี่ยนะใครจะไปเชื่อพระองค์มัางเนี่ย mm. นะถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีบุญขนาดนั้นเนี่ยพระองค์จะสงเคราะห์ใครได้บ้างไม่ได้หรอกเนะนี่ยนะท่านพระองค์ต้องมีบุญจนคู่ควรที่จะเป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกจนเรียกว่าเป็นผู้ที่ พยมานขวางไม่อยู่ว่างั้นเถอะเป็นผู้ที่ไม่มีใครจะห้ามพระองค์ได้นะพระองค์ตรงบำเพ็ญจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุดทัศนะเนี่ยนะเป็นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองเมืองกุสาวดีราชธานีก็คือเมืองกุสินาราในอดีตนั่นแหละพระองค์นั้นก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่มีจักรเสียมีอัจฉริยะ 4ประการอยู่ในตัวเป็นพระราชาที่มีอนุภาพมากาได้ยินว่าพระมหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลขึ้นหาบดีถอยหลังจากจากชาตินั้นไปสาชาตินะคือพระเจ้าสุทัศนะถอยหลังจากสุทัศนะคือเป็นเทวดาถอยหลังจากเทวดาก็คือเกิดในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งก็คือคําว่าเศรษฐีในที่นี้คือคนมีฐานะดีนะในอัตภาพที่สม จากอัตภาพที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามวัศุทธัศนะในชาตินั้นเนี่ยนะก็เป็นเครหาบดีที่เข้าไปป่าด้วยการงานของตน น, นะก็เป็นเป็นเศรษฐีเข้าป่าเนี่ยนะก็ไปดูไปตรวจตราดูหาเครื่องเรือนเครื่องไม้เป็นต้นก็ไปเห็นพระเถระรูปหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ยังดำรงพระชนอยู่ก็คือเมื่อมีศาสนาก็มีพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะก็มีพระอระหันต์อยู่ พระเทระอาศัยอยู่ในป่านั่งอยู่ที่โคนไม้พระโพธิสัตว์เนี่ยพอเห็นพระเทระรูปนั้นก็คิดว่าเราควรจะสร้างบนนารรณศาลาให้แก่พระคุณเจ้าในป่านี้เห็นแล้วก็มีศรัทธาว่าเออท่านนั่งอยู่ในป่าท่านควรจะมีกุฏิเนี่ยนะบนนะารรณศาลาก็คือกุฏิน่ะแหละท่านเแทนที่จะนั่งอยู่อาศัยร่มไม้ควรจะมีที่มุงที่บงังก็เลยไม่สนใจ ง, งานของตัวเองละเนี่ยนะงานที่ตัวเองมาก็เอาไว้ก่อน ละการงานของตนตัดเครื่องก่ อ, อ น, นะตัดเครื่องก่อสร้างปลูกบรรณศาลาให้เป็นที่สมควรนนก็สร้างกุฏิขึ้นมาหนึ่งหลังแล้วก็เป็นกุฏิที่มีกรอบประตูคําว่าบรรณศาลาเนี่ยเไม่ใช่ว่าโอ้ยพรุงพรังอะไรไม่งาม น, นะเป็นเป็นหลังอ่าเป็นอาคารที่มีกรอบประตูก็ถือว่ามีวงกบประตูนะอ่าหลังไหนที่มีกรอบวงกบประตูก็ถือว่าหลังนั้นก็ถือว่าทำสมบูรณ์พอสมควร กระทำด้วยเครื่องปูลาดทำด้วยไม้คิดว่าพระเถระจะใช้สอยหรือไม่เนาะพอสร้างเสร็จก็ไปนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งใกล้พระเถระพระเถระมาจากภายในบ้านคือไปบินทบาตกลับมาเนี่ยนะฉันเสร็จแล้วกลับมาก็เข้าไปยังบรณารณาศาลานั่งอยู่ที่ปูลาดด้วยไม้พระโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาพระเถระถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบรณารณศาลาเป็นที่ผาสุกอยู่หรือ นะพระธีระก็ตอบว่าท่านผู้มีหน้างามเป็นที่ผาสุกดีแล้วก็ที่นี้สมควรแก่สมณะผู้มีหน้างามหรือหน้าอันเจริญนะนะเห็นแล้วก็สบายใจอะ่ะคือหมายความว่าโยมบางคนเห็นแล้วก็สบายใจเห็นอยูบางคนเห็นแล้วเครียดเครียดเลยะนะไม่รู้เป็นหน้าบูดหน้าบึง้งมธุระอะไรหนักจากไหนหนักใจหนัก อ, อกอะไรขนาดไหนมาก็ไม่รู้เห็นแล้วก็บึ้งอยู่ได้ทั้งวันอะไรเป็นต้นเนะนี่ยนะเห็นนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นแล้วก็สบายใจอะนะอพระคุณเจ้าจะอยู่ในที่นี้ดีหรือ ถูกต้องแล้วอุบาสกพระโพธิสัตว์รู้ว่าพระเทระจักอยู่โดยอาการแห่งการรับนิมนต์ก็เลยขอให้พระเทเรรับปฏิญญาคือนิมนต์ว่าจะมายังประตูเรือนของเราตลอดไปหมายคำว่านิมนต์ให้พักอยู่ที่กุฏิแต่ก็ไปฉันที่บ้านนะฮะก็นิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านตลอดไปอะถ้าท่านอยู่ที่นี่แล้วก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านตลอดไปก็แล้วกันก็เลยสละพัตตาหารในเรือนของตนเป็นนิดนิดก็คือนิดจังก็คือแน่นอนอะนะ หมายค่ะว่าให้ทานทุกครั้งทุกวันไปทีนี้บริวารของการทําบุญของพระโพธิสัตว์ก็ปูเสื่อลําแพนในบนารรณศาลามีเตียงมีตัง้งวางแท่นพิงเอาไว้มีไม้เช็ดเท้าขุดสะโบกครณีทําที่จงกรมเกลียด้วยทรายล้อมบารรณศาลาด้วยรั้วน้ําเพื่อป้องกันอันตรายขุดสะโบกกรณีทําที่จงกรมล้อมเหมือนกันนไม่ว่าจะเป็นสะโบกครณีหรือที่จงกรมก็มีเครื่องเวทล้อม ในที่สุดภายในรั้วสถานที่เหล่านั้นก็ปลูกต้นตาลเอาไว้เป็นแถวเนี่ยนะก็ปลูกตาลครั้นให้ที่อยู่สำเร็จลงด้วยวิธีอย่างนี้แล้วก็ถวายสัมมณะบริขารทั้งหมดมีไตรจีวรเป็นต้นแก่พระเถระก็คือทาบุญเนี่นะทบุญถือว่าสุดที่เรียกว่าเหมือนกับสร้างวัดหนึ่งวัดเลยแหละเนี่ยนะสร้างวัดอย่างเรียบร้อยถวายพระ จรงอยู่ในครั้งนั้นเนี่ยเครื่องใช้สอยของบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นไตรจีวอนบินธบาทสลกบาทหม้อกรองน้ําภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าหม้อน้ําเข็มกันไตรไม้เท้าสว่านดีปลีมีดตัดเล็บประทีปที่พระโพธิสัตว์ไม่ได้ถวายไม่มีเลยคือถวายทุกอย่างก็เรียกว่าเท่ากับสร้างวัดถวายเนี่ยนะพร้อมทั้งเครื่องบริขารใช้สอยที่สมควรทั้งหมดพระโพธิสัตว์ก็รักษาศีลห้า เป็นปกติรักษาศีลบำรุงพระเถระฟังธรรมอยู่จนตลอดชีวิตเนี่ยนะอาศัยพระเถระอยู่ในที่นั้นส่วนพระเถระบรรลุเป็นพระอรหรันต์เนี่ยนะก็ปรินิพานเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถามว่าพระโพธิสัตว์ท่านให้ทานนี่ให้ทานแบบไม่รู้อะไรเลยไหมบอกไม่ อยู่กับพระเถระที่รู้จากข้อปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ก็แสดงว่าพระเถระรูปนี้แตกฉานในพระธรรมเป็นอย่างดีแนะนําโอวาสสัง่งส อ, น, อนนะฟังพระโพธิสัตว์ก็เป็นอัธยาศัยอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์คือฝ่ปัญญานีนะจริงๆชาตินี้ถ้าพูดให้ตรงอาจจะพระโพธิสัตว์อาจจะทรงพระไตรปิดกด้วยซ้าไปนะก็คือเป็นเป็นคนที่ฉลาดมากอยู่แล้วก็ฟังธรรมอยู่ทุกวันเนี่ยนะ แม้พระโพธิสัตว์ก็ได้ทําบุญตราบเท่าอายุไขก็ไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาสู่มนุษย์โลกก็เกิดในราชธานีกุสาวดีได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนราชาอนุภาพแห่งความเป็นใหญ่ของพระราชามหาสุทัศนนั้นมาแล้วในสูตรเป็นต้นว่าที่พระองค์เล่าให้พระอนุนฟังว่าดูก่อนอนุ์เรื่องเคยมีมาแล้วพระราชามหาสุทัศนะได้เป็นกษัตริย์ อ่ะนะได้รับบู ร, บรธาพิเศษแล้วเนี่ยนะบูรธาพิเศษคือพิเศษเป็นพระราชาในยะว่าพระราชามหาสุทัศน์นั้นเนี่ยนะมีเมืองที่เป็นประเทศสาชอยู่ในการปกครอง8ปดหมพเมืองคําว่าแปดหมื่นสี่พเมืองก็คือเมืองสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงอําเภอเนีก็คือมีอําเภออยู่ในการปกครองอยู่ 84%, ดหมื่นพันอำเภอ หรืออย่างน้อยก็จังหวัดนะนะระดับจังหวัด8ป0 0 0พันจังหวัดแต่อินเดียนี่ก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะมีเมืองกุสาวดีราชธานีเป็นประมุกมีปราสาท 84% ดหมพันปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประมุกมีเรือนยอดอีก 84% ดหมี่พันเรือนยอดหมูใหญ่เนี่ยนะก็มีเรือนยอดหมู่ใหญ่เป็นประมุกทั้งหมดเหล่านั้นก็เกิดจากอ น, นิสงส์อะไรถวายบรณารณศาลาหลังหนึ่ง ที่ที่พระองค์เนี่ยในอดีตสร้างถวายแก่พระเถระเนี่ยนะที่ได้บรรณาสาราได้ปราสาทราชวังเป็นต้นเนี่ยนะก็เนื่องจากสร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์พระองค์ก็ยังมีบรรลังอีก8 4ด0 0พช้าง8 4ด0 0พันม้า8 4ด0 0พันตรงนี้เขียนไว้พันหนึ่งนะที่อื่นเนี่ยเขียนไว้เป็น8 4ด0 0พันมีรถ8 4ด0 0พันอันนี้ก็เกิดด้วยอา น, นิสงส์ของการถวายเตียงถวายตังเตียงตังเนี่ก็คือบลังใช่พวก พวกเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยพวกนี้ก็เกิดจากการถวายบัลลังเอ่อถวายเตียงถวายตั้งที่นั่งพักอาศัยมีแก้วมณี 84%, ดหมพันอันนี้อันนี้สงข์ขังดวงประทีป น, นะก็คือเอ่อถวายประทีปนะถวายโคมไฟถวายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องไฟทั้งหมดแก่พระติระมีสะบกคารณีอีกแปดหมพันเกิดด้วยอันนี้สงที่ขุดสะบกคารณีเอาไว้มีสตรี 84%, ดหมพันบุตรอีกพันหนึ่ง กรหบดีพันหนึ่งอันนี้อั น, นิี้สองที่ถวายเครื่องบริขารของบรรพชิตอันสมควรแก่สมณะบริโภคมีสลกบาทเป็นต้นมีแม่โคโนมอีก 84% ดหมพันอันนี้อั น, นิี้สองของการถวายเบญจโครสคือถวายนมนมสดนมส้มเนยใสยเนยข้นเป็นต้นนะแล้วก็มีคลังผ้าอีกแปดหม่นสี่พันอันนี้อันนี้สองของการถวายเครื่องนุ่งห่ม อันนี้สงก็แปลว่ากาไรอ่ะนะกำไรที่เกิดจากการลงทุนอะไรไปบ้างนะแต่ว่ากำไรระยะยาวนะเว้ยต้องรอเอาหลายชาตินะเนี่ยแล้วก็มีหม้อหุงข้าวที่จริงก็มีโภชนาหารเนี่ยมีโภชนาหารอีกแปดหมืนสี่พันสำรับนะหม้อหุงข้าวไม่ไม่ใช่หม้อชฉยๆนะหมายถึงาอาหารแปดหมื่นสี่พันสำรับอันนี้อันนี้สงของการถวายโภชนะ ให้แปดหมสี่พันสำรับในทุกวันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, มใช่มีทั้งหมดเท่านั้นอนะ่ะหมายก็ว่าแต่ละวันแต่ละมือเนี่ยแปดหมสี่พันสำรับหมดเลยพระโพธิสัตว์นั้นเป็นพระราชาที่ราชประกอบด้วยรัตนเจดแล้วก็มีฤทธิ์สี่ประการครอบครองมหาปฏภีมณฑลมีสาครเป็นที่สุดเขาบอกว่าแผ่นดินของพระองค์นี่มีเท่าไหร่ก็าบอกเอาทะเลเป็นรั้ว ก, กันแล้วกันกะันนะทั้งทั้งสิ้นโดยรอบพระองค์ก็สร้างโรงทานในที่หลายร้อยแห่ง ตั้งมหาทานก็โอ้ยภาษีอากรเนี่ยนะทุกอย่างทั้งหมดก็ส่งมาที่เมืองนี้ทั้งหมดนะนะก็ร่ารวยมากส่งให้ราชบุรุษตีกลองเปล่าประกาศในพระนครวันละสามครั้งว่าผู้ใดปรารถนาสิ่งใดผู้นั้นจงมาในที่โรงทานนะก็ราบเอาสิ่งนั้นไปเทิดนั้นพระองค์ก็เลยให้ประกาศทุกๆวันวันละสาครั้งก็มีการโฆษณาปักเปล่าร้องว่านะ ว่าจริงอยู่ทานบารมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเว้นจากการกําหนดทายธรรมและปฏิคาหอัธยาศัยที่ท่านจะให้เนี่ยก็ไม่กําหนดเลยแล้วใช่ไหมของที่จะให้ท่านไม่เคยกําหนดว่าจะต้องให้แค่ไหนแล้วก็ผู้รับเนี่ยจะต้องแค่ไหนเป็นต้นเจึงไม่มีนั้นทานของท่านไม่กําหนดของที่จะให้แล้วก็ไม่กําหนดผู้รับว่าควรจะแค่ไหนเท่าไหร่คือเท่าเท่าที่มันทําได้อะนะ มันก็เลยเพระองค์เมื่อสรรเสริญบุคคลผู้สมควรแก่ทายธรทำด้วยการโฆษณาเชิญชวนใครหิวก็มาเนี่ยนะใครต้องการดอกไม้ของของประทีปโคมไฟต้องการผ้าดอกไม้ร่มรองเท้าเป็นต้นก็มาให้หมดเลยว่างั้นนะท่านก็ประกาศอย่างนี้วันละสาครั้งโรงทานอันเนี้ยตกแต่งเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้ขอเนี่ยเมืองเนี่ยนะเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะยาวเจ็ดโยธกว้างเจ็ดโยดล้อมด้วยแนวต้นตาลเจ็ดแถว ณนะนะแถวต้นตาลเหล่านั้นมีสะบกกรณีอีก8ปดหมสี่พันสะตั้งเราตั้งมหาทานไว้ที่ฝั่งสะบกกรณีเฉพาะสะหนึ่งหนึ่งก็มีโรงทานทั้งหมดแปดหมสพันสระอย่างที่พระองค์บอกพระอนุนวว่าอนุ์มหาราชาราชามหาสุทัศนะทรงตั้งทานเห็นปานนี้เอาไวนะ้ณนะฝั่งสะบกกรณีเหล่านั้นนะตั้งข้าวไว้สําหรับผู้ต้องการข้าวตั้งน้ําเอาไว้สําหรับผู้ต้องการน้ํา ตั้งผ้าเอาไว้สําหรับผู้ต้องการผ้าตั้งยานเอาไว้สําหรับผู้ต้องการยานตั้งที่นอนเอาไว้สําหรับผู้ต้องการที่นอนตั้งสตรีเอาไว้สําหรับผู้ต้องการสตรีตั้งเงินไว้สําหรับผู้ต้องการเงินตั้งทองเอาไว้สําหรับผู้ต้องการทองเอ๊ถามว่าสตรีทั้งหลายนี่เขาเต็มใจหรือใช่ไหมทาไมพระโพธิสัตว์มาตั้งตั้งอะไรเขาได้ง่ายๆขนาดนั้นก็บอกว่าคนผู้หญิงที่อุทิศชีวิตให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยมากนีนะ เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เต็มใจมากที่จะให้ท่านเรียกว่าอะไรนะคือพระองค์จะทำยังไงก็ได้สุดแท้แต่พระองค์เหมือนกับว่าสละชีวิตถวายพระโพ ธ, ธิสัตว์ไปแล้วเนี่ยนะพันหลายๆชาติท่านจึงให้ทานได้นะยกผู้หญิงเหล่านั้นให้ทานและเขาก็เต็มใจนะสุดแท่แต่พระโพธิสัตว์จะบัญชาว่างั้นเถอะก็มีมีคนที่เขาทําบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อที่จะช่วยให้พระโพธิสัตว์เนี่ยสำเร็จสําเร็จตามความปรารถนา บุคคลเหล่านี้กลุ่มนี้ดูในอภิธานนี้เห็นชัดเลยว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยทำบุญมาเสียสงไขยแสนกับทําบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อจะช่วยให้พระโพธิสัตว์สมความปรารถนามีคนกลุ่มนี้ก็มีนะตัวเองทําไม่ได้หรอกแต่ว่าช่วยให้คนอื่นเขาสําเร็จความปรารถนาก็แล้วกันขอเป็นมือเป็นเท้าเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันได้ช่วยเขาบ้างเถอดลักษณะเนี่ยนะมันก็มีคนที่เขาเต็มใจที่จะจะช่วยเหลือ แล้วก็ตั้งเงินเอาไว้สําหรับผู้ที่ต้องการเงินตั้งทองเอาไว้สําหรับผู้ที่ต้องการทองอย่าลืมนะว่าคนเหล่านี้ที่เกื้อกูลต่อพระโพธิสัตว์หรือที่พระโพธิสัตว์ได้รับการส่งคราะห์บุก ค, คลเหล่านั้นคือที่บรรลุผู้ที่บรรลุในสมัยพุทธกาลผู้ที่บรรลุสมัยพุทธกาลบุคคลเหล่านี้เคยเกื้อกูลต่อพระโพธิสัตว์มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าพระองค์ไปช่วยเขาทั้งหมดเลยคนที่มีอุปการะทั้งที่ไม่มีอุปการะเนี่ยนะ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอุปการะนี่พระองค์สงเคราะห์เขาเหล่านั้นได้ทั้งหมดจิงโยมหาบุรุษปรารถนาแต่จะให้ทานจึงสร้างเครื่องประดับอันสมควรแก่สตรีและบุรุษตั้งสตรีไว้เพื่อให้รับใช้ในที่นั้นอันนั้นแล้วก็ตั้งทานเอาไว้ทั้งหมดเพื่อบริจาคให้ตีกลองป่าวร้องพระชามหาสุทัศนะ พระราชทานท่านจงบริโภคทานนั้นตามสบายเถิดแต่ถ้าคิดไปอีกในหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ที่ลงทุนทําธุรกิจโรงแรมเป็นต้นก็ยังมีคนที่คอยดูแลเอาใจใส่แล้วคนที่ทําธุรกิจบุญอย่างนี้บ้างทําไมจะไม่ทําอย่างนั้นบ้างคือพระโพธิสัตว์มองการทําบุญนี่คือการลงทุนที่สุดเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านทําทุกอย่างเพื่อเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ ท่านทําบุญตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะทําบุญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปทําจนกว่าขนาดไหนอ่ะท่านทําจนกว่าจะให้คนอื่นบรรลุมรรคผลนิพพานได้ท่านตั้งไว้ขนาดนั้นคือคือหมู่สัตว์ทั้งหลายที่บอกว่าโอ้ยการให้มหาพูดเนี่ยนะเหมือนกับว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินปรารถนาแต่มหาพูดพระ อ, องค์บอกว่าพระ อ, องค์ไม่ใช่ต้องการให้แต่มนุษย์สมบัติข้าวของปัจจัยสี่เท่านี้หรอก พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อัธยาศัยจะช่วยให้สัตว์เนี่ยไปถึงสุคติโลกสวรรค์ยังมีอัธยาศัยที่จะช่วยให้สัตว์บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสโดาปติมร์เป็นต้นเนี่ยนะพระองค์มีอัธยาศัยต้องการให้สัตว์เนี่ยได้รับประโยชน์มากกว่านั้นเป็นเป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้จะกล่าวไปยัยถึงให้ของเหล่านี้ได้เนี่ยนะบระพูธิษฐานก็มีแต่คิดแต่จะให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้แบบเรียกว่าอะไรนะไม่มีคําว่าเต็มไม่รู้คําอิ่มว่าพอ มันก็สรุปว่าพระราชาให้เป่าร้องอนะว่าพวกท่านจงบริโภคทานนั้นตามสบายเถิดเอาให้อิ่มนะเคยเลี้ยงแขกมั้ยเคยเลี้ยงแขกเอาให้อิ่มฮะเอาให้พอนะเอานั่นอีกไหมรับอันนี้เพิ่มอีกหน่อยไหมเป็นต้นนั้นลักษณะใจเขาเป็นแบบนั้นแหละมหาชนเนี่ยไปฟังสะโบกคารณีอาบน้ำนุ่งหม่มผ้าเป็นต้นแล้วก็สเสวยมหาสมบัติเป็นผู้มีสมบัติเช่นนี้แล้ว ผู้นั้นก็ละไปผู้ใดไม่มีผู้นั้นก็ถือเอาขอเข้าของเครื่องใช้ไปใครยากจนก็มาเอาทรัพย์เหล่านี้ไปใช้ได้เลยใครที่รวยอยู่แล้วก็มาบริโภคเขาเรียกว่ามาพักผ่อนแล้วก็กลับไปผู้ใดนั่งบนยานช้างเป็นต้นเที่ยวไปตามสบายนอนบนที่นอนอันประเสริฐก็เอาสมบัติสเสวยกับความสุขกับสตรีเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมีคนรับใช้บำรุงนะประดับประดาตกแต่งล้วนด้วยแก้วเจ็ดประการก็เอาสมบัติไปถือเอาสมบัติจากที่นั้นนะเอาไป บางพวกไม่ต้องการก็มาบริโภคใช้สอยแล้วก็กลับไปพระราชามหาสุทัศนะเนี่ยนะทรงกวีกวาดบริจาคทานเม้ น, นั้นะ่ะทุกๆวันครั้งนั้นชาวชมพูทวีปไม่มีการงานอย่างอื่นเลยบริโภคเสวยสมบัติเที่ยวเตรกันไปนนะทานนั้นก็ไม่ได้กำหนดแลนักปกครองสมัยใหม่ฟังแล้วทาใจไม่ได้มันต้องทํางานสิอนะนะ สําคัญเลยเกินนะทํางานทําไปทําไมก็ทําเพื่อให้มีปัจจัย4บริโบกถ้ามีอยู่แล้วทําไปทําไมท่านก็บอกว่าคนที่มีบุญเนี่ยนะสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องทํางานก็ด้วยคนมีบุญเนี่ยนะคือคือในยุคใดสมัยใดที่คนมีบุญมากจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเพาะปลูกเหน็บเหนื่อยอะไรกันมากมายขนาดเท่าแบบสมัยทุกวันนี้หรอกบางทีเนี่ยนะอย่างว่าปลูกแค่ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไม่หมดอยังไงนะ ทีนี่ในยุคนั้นน่ยที่คนไม่มีความตรนีคิดดูนะคนจะตรณีได้ยังไงคิดดูพระราชาท่านยังสละขนาดนี้บุคคลทุกคนเนี่ยเขามีอัธยาศัยในการให้ท่าในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยการให้การแบ่งปันนะยังไงโลกก็ไม่เดือดร้อนยังไงโลกก็ไม่อดอยากท่าทุกคนเนี่ยมีแต่ใจที่น้อมไปเพื่อการให้นะนะทุกคนแล้วไอ้ที่จะให้ได้ถ้าไม่มีของที่จะให้จะให้ได้หรือท่านทุกคนก็ไม่ใช่ว่าขี้เกียจสันหลังยาวอะไรหรอกนีนะ บรรจุว่าผู้ต้องการที่จะเสวยของเหล่านี้เนี่ยนะจะมาทั้งกลางวันกลางคืนพระราชาก็ตั้งไว้เพื่อที่จะให้หมดเขาบอกว่าพระราชวังเนี่ยนะพระราชวังของพระราชาที่ทรงธรรมเนี่ยนะอาหารเนี่ยจ ะ, จ, ะจะมีอยู่ตลอดเวลาไปเมื่อไหร่ก็อิ่ม น, นะยิ่งพระราชาผู้ทรงธรรมขนาดนี้ด้วยจะขนาดไหนบทว่าทิวาย ทิวาวายะทิวาระติงยะทิเอติจริงอยู่เวลาที่ผู้ขอเข้าไปเพื่อหวังลากชื่อว่าเป็นการแห่งทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายดีใจมากขอให้มาเถอะมาเถอะจะยังจิตใจของเราให้เต็มเต็มด้วยทานบารมีเมื่อเราเต็มด้วยทานบารมีเป็นต้นแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาขอเมื่อใดก็แปลว่าบุญของเราใกล้จะเต็มเข้าไปทุกทีทุกทีทุก ท, ท, กทีทุกทีไปเนี่ยนะ มันผู้ที่มาก็บริโภคได้ตามใจชอบเพราะว่าผู้ใดขอทายาธรรมใดๆพระโพธิสัตว์ก็ให้ของนั้นๆไปแก่ผู้ขอเหล่านั้นพระโพธิสัตว์นี่ไม่ได้คิดถึงความที่จะทายาธรรมนั้นมีค่ามากนั้นหาได้ยากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเครื่องขวางใจของพระองค์เลยของนั้นจะหายากจะมีค่ามากขนาดไหนพระองค์ก็ให้ในหมดนะให้ได้ตามความปรารถนาของผู้ขอ ก็อย่างว่านะเขาจึงบอกว่าพุทุ ป, ปาโททุลโภกิจโชพุทธานมุ ป, ปาโทเป็นต้นเนี่ยนะคำเหล่านี้เป็นคําที่จริงแท้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเป็นของยากที่มันยากอย่างนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคนที่คิดจะให้แบบนี้ยังไม่มีเลยอยากคิดไม่กล้าแม้กระทั่งจะให้ในความคิดนะ น, นะ ที่จะให้ในความคิดก็ยังไม่มีเลยอ่ะนะเพราะนั้นคนที่เป็นพระพุทธเจ้าจึงหาได้ยากในโลกเนี่ยนะหาได้ยากในโลกเั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้จึงเป็นของยากในโลกเพราะว่าคิดที่จะให้เนี่ยนะยังคนเกิดมาไม่เคยคิดจะให้เลยไม่รู้เป็นยังไงอคําว่าให้นึกไม่ออกนึกว่าจะเอาของของคนอื่นได้อย่างไรจะเอาได้มากที่สุดได้อย่างไรจะเอาให้มันอะไรเนะคือคือมีแต่ว่าจะเอาอ่ะนะ เหมือนกับว่าผู้หิวโหวยทางจิตวิญญาณมาจากพบไหนชาติไหนออกมาก็ไม่รู้หิวจริงๆอ่ะนะต้องการมีแต่จะเอาจะเอาจะเอ า, จะเอาอยู่นั่นแหละซึ่งตรงกันข้ามกับผู้มีบุญทั้งหลายผู้ทําบุญทั้งหลายเขาน้อมไปเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้ให้ใ ห, ให้บอกว่าปูร ะ, ะ, ระหักโถวะขัดฉติให้เต็มด้วยมือกลับไปเพราะว่าผู้ขอทั้งหลายปรารถนาเท่าใดพระโพธิสัตว์ก็ไม่โลดไม่หย่อนเพราะมีอัธยาศัยกว้างขวางเพราะมี อำนาจมากถ้าคิดถึงก็เหมือนกับว่าห้างสปปรรพสินค้ายอย่างนั้นนะนะเปิดก็เปิดห้างอ่ะนะเปิดห้างแล้วก็ไปแต่เจ้าของห้างา่าเปิดฟรีใครขนเอาไปเท่าไหร่ก็เอาบ้ให้หมดเลยนะอยากได้เท่าไหร่ก็ขนเอาไปเถอะของมีเต็มไปหมดเลยนะพระองค์ก็ให้อย่างนี้นะจนตลอดชีวิตเนี่ย น, นะให้จนตลอดชีวิตก็ไม่สิ้นสุดของการให้ทานพระโพธิสัตว์ไม่เคยกําหนดเวลาที่จะให้ทา น, นนะเคยสังเกตดูนะว่าท่านไม่กําหนดอะไรมัางไม่กําหนด ของที่จะให้ไม่กำหนดผู้รับและไม่กำหนดเวลาที่จะให้ว่าจะต้องให้แค่ไหนก็ให้ตลอดเสียสงไขแสนกับนั่นแหละสรุปว่าการไม่เข้าไปตัดรอนแม้แต่ความตายจากการไม่ไม่มีอ่จากการไม่มีที่สุดในระหว่างเพราะไม่มีความเบื่อหน่ายในการสะสมโพธิสมภารอันนี้ถือว่าเป็นคุณนพิเศษที่หายากไม่เบื่อหน่ายในการสะสมบุญเพื่อบรรลุมรรคผล นะไม่เบื่อหนายในการสั่งสมบุญเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่เคยเบื่อจริงๆเลยนะมีแต่ว่าอยากจะทําอยากกะทําอยากกะเพิ่มอยากจะเพิ่มเหมือนกับโยมบางคนเราให้ฟังว่าหุยทำมันทํำยังไงจะได้เต็มใจเนี่ยนะทำแค่ไหนทําอย่างไรทําอะไรจรึงจะรู้สึกว่าเต็มใจสักทีเขาบอกว่าทำอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกว่าทำเหมือนกับว่ายังทําไปได้หน่อยเดียวยังทําทํำยังไงก็ยังรู้สึกว่าพร่องในใจอยากจะทําให้มันมากกว่านี้อยากจะทําให้มันยิ่งกว่านี้ แต่ก็ยังว่านะก็เนี่ยลักษณะของผู้ที่ฝักใฝ่ในบุญกุศลเนี่ยก็เป็นอย่างนี้พันธบุญกุศลเหล่านี้จึงเป็นเครื่องนำให้เขาออกจากวัฏฏทุกไปได้พระโพธิสธัตว์นี้ท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้จนตลอดชีวิตยาวะชีวิกังเนี่ยนะแปลว่าตลอดชีวิตณปะณป่ า, ห, า, ห, าหังเทสังทนังรรมิเราได้ให้ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็หาไม่ได้ ของที่หมายเขาว่าเอาขยะมูลฝอยเอาของทิ้งๆเหลื อ, ลอเๆเศษๆเน่าๆบูดๆเก็บจนเก่าแล้วเอาไปให้ใช่ไหมบอกไม่ใช่หรอกของที่เราให้นี่ก็ไม่ใช่เป็นของที่น่ากเกลียดไม่ใช่ขอเป็นของที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นที่เราให้มหาทานเป็นนี้เราก็ได้เอาทรัพย์ออกจากเรือนบทว่าณปิณฑนิษณปิณฑนิจโย ม, มยิเราไม่มีต้องเราไม่มีการสะสมทรัพย์ก่หามิได้ การสะสมทรัพย์การสงเคราะห์ด้วยทรัพย์ในที่ใกล้ไม่มีแก่เราก็หาไม่ได้อธิบายว่าแม้การไม่สงเคราะห์ดุจสมณนะผู้ประพฤติขัดเกลากิเลสก็ไม่มีสรุปว่าจริงๆเนี่ยท่านก็เป็นคารวะเต็มตัวที่ปรารถนาการสะสมทรัพย์ปรารถนาการรวบรวมทรัพย์อยู่นั่นแหละแต่แต่ท่านก็มีใจที่น้อมไปเพื่อที่จะให้ไอาที่จะรวบรวมที่จะสแสวงหาก็ทําล่ะ ก็คือสรุปว่าเหตุที่ได้มาแห่งโภกท้ศัพย์สรุปว่าเป็นพระราชาที่ยังต้องเก็บภาษีอากรอยู่ดีแต่ว่าของที่ได้มาก็เอามาบริจาคทานเอามาทําบุญนะเพราะว่าสมัยนั้นปกครองด้วยนะพระราชาเป็นใหญ่เลยนะพระราชาเป็นใหญ่ทั้งหมดสมบูรณ์อานายาสิทธิราชเนี่ยนะเรียกว่าพระราชามีสิทธิอํานาจแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นท่าได้ของที่ได้มาทั้งหมดก็ได้มาเพื่อ บริจาคทานเอาแล้วที่ท่านสร้างวังสร้างอะไรใหญ่โตล่ะสิ่งเหล่านั้นโดยมากเนี่ยนะเป็นบุญที่เกิดจากบุญเก่ามาเป็นของที่ผุดขึ้นเองซะส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เรียกว่าเทวดามาทําให้ซะส่วนใหญ่สรุปว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้ทานอัธยาศัยครนั้นเนี่ยนะท่านมีอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อจะให้จะรักจะหวงจะแหนจะทะนุถนอมปานใดพอพูดถึงการให้ยกให้เลย แต่ท่านก็เก็บข้าวเก็บบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะุ้ยเก็บข้าวเก็บของรวบรวมเก็บไว้เป็นอย่างดีพอให้นะยกให้หน้าตาเฉยไปนะไอตอนที่เก็บรักษาเหมือนกับอย่างว่า อ, อะไรนะเหมือนก็นไม่ให้หยดแม้แต่หยดเดียวพอยกให้ทานนะให้แบบไม่อะไรเอาวอเลยให้ได้หมดเลยเปรียบเหมือนอะไรเหมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายเก็บรวบรวมทรัพย์เพื่อไปหาหมอฉะนั้นอธิบายเหมือนอย่างว่า บุตรถูกโรคครอบงำกระสับกระสายประสงค์จะให้ตัวเองพ้นจากโรคต้องการให้หมอผู้เยียวยาพอใจคือยินดีด้วยทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นแล้วปฏิบัติตามวิธีของหมอนะก็รักษาให้ตัวเองก็จะพ้นไปจากโรคฉันใดแม้เราก็ฉันนั้น ก็จริงนะสมัยอย่างสมัยสมัยนี้ก็หรือสมัยนี้ก็ตามสมัยก่อนก็ตามเนี่ยนะถ้าเจ็บป่วยโรคภยัยไข้เจ็บหลายๆอย่างเนี่ยค่าพาตัดค่าดูแลค่ารักษาค่าอยู่ค่ายานี่ก็ถ้ายิ่งหมอดีมีคุณภาพหมอทีออ่มีชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะก็โหถือว่าแพงมากฉันใดถ้าไม่มีทรัพย์จริงๆไปรักษาที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะเปลื้องสัตว์โลกทั้งสิ้นให้ออกจากทุก จะโรคนะนะให้พ้นจากทุกพ้นจากโรคโรคอะไรบางโรค ก, กิเลสเราจะให้เขาพ้นจากโรคจากทุกในสังสารวัตรนะนะให้พ้นจากทุกเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเนี่ยนะเรารู้อยู่ว่าการบริจาคสมบัติทั้งปวงนี่แหละเป็นฐานบารมีเป็นอุบายแห่งการปลดเปลื้องสัตว์โลกเพื่อยังอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นให้บริบูรณ์สรุปว่าพระโพธิสัตว์ท่านตั้งความปรารถนาเพื่อการให้ท่านให้มหาภูตรูป ท่านให้ให้ให้เขารู้จักให้ทานให้ให้เขารู้จักให้รักษาศีลให้เขาเจริญสมถะวิปัสนาให้เขาเจริญฌานอภิญญาให้เขาบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลทั่วๆไปยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ส่อให้ให้เขาได้เจริญด้วยภูตารูปทั้งหลายขณะเดียวกันก็สังสอนให้เขาให้ให้เขาได้เจริญกุศลหลังจากนั้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ อย่างที่พระพุทธเจ้าคือผู้ให้โดยส่วนเดียวใช่ไหมชีวิตของพระองค์อยู่เพื่อการให้ทําทุกอย่างเพื่อการให้อ น, นะแต่ว่าเราจะเอาไปเท่าไหร่ดีรับไปคนละเท่าไหร่ดีรับเท่าไหร่ดีนะชาตินี้อ่านพระไตรปิกฎกกี่กี่เล่มดีแต่และเล่มกี่รอบดีมาดูที่ว่าจะเอาเท่าไหร่นนะตั้งไว้ไหมจะเอาอริยสติ ป, ประธานเราจะเอาของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ดีจะเอาสัมมาป ะ, ะนะ จริงเราเคาะเราน่าจะทําตัวเป็นนาบุญของพระพุทธเจ้าหน่อยนะพระองค์เนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อจะให้โพธิปัจจะธรรมแล้วก็รับเอาไว้ให้มันเต็มที่เลยนะให้สมความปรารถนาของพระองค์เลยนะหรือว่าเราแกล้งพระองค์ไม่รับเอาดีกว่า mm hmm. อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยแกล้งพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็แกล้งตัวเรานะั่นแหละแกล้งดวงอาทิตย์ซะหน่อยหลับตาไม่ยอมดูอะไรเนะยรือไงดีไหมแกล้งดวงอาทิตย์เลยเดินหลับตาซะเลยหมดเรื่องของเรา อันนั้นก็บอดสนิทแล้วนะชันใดถ้าหากว่าเราแกล้งพระพุทธเจ้าปฏิเสธบุญก็ฉันนั้นเนี่ยนะน่ากลัวพอๆกันพระองค์เนี่ยนะเพื่อที่จะยังอัธยาศัยของพระองค์และสรรพสัตว์ให้เต็มสมบูรณ์เนี่ยยังอัธยาศัยของสัตว์ก็คือให้แก่ผู้รับอย่างไม่มีเศษให้อย่างไม่เหลือด้วยอํานาจการอํานาจแห่งมหาทานเนี่ยให้อย่างไม่มีส่วนเหลือทานบารมีของเรายังไม่บริบูรณ์แก่ตนเพราะฉะนั้น เพื่อยังใจที่บกพร่องในบทว่าอูนะมนังเนี่ยนะใจบกพร่องให้เต็มหมายคาอว่าให้ให้ผู้รับได้รับด้วยความเต็มใจให้รับด้วยความสุขสมหวังขณะเดียวกันเราเองก็จะได้เพิ่มภูณใจของเราที่บกพร่องไม่ยังไม่บรรลุมรรคผลคือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่มภูณให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เรียกว่าใจที่ยังพร่องก็เพราะใจยังที่ใจที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าใจที่ยังพร่อง มันเราได้ให้ทานแก่วันนิพกคือผู้ขอเหล่านั้นเราได้ให้มหาทานเห็นปา น, นี้เราให้โดยที่ไม่ได้อะไรมิได้มุ่งหวังอะไรในการให้ทานไม่ได้หวังว่าเออทานเนี้ยจะได้เป็นเหตุเป็นผลให้เราได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราหวังบรรลุโพสัมโพธิญาณเราหวังบรรลุสัพพัญยุตยานบรรลุอาสาธารณะญาณเท่านั้นเล พระโพธิสัตว์ได้ให้ทานเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะให้แล้วก็ขึ้นสู่ปร า, าสาทที่เกิดด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์พระองค์เนี่ยกำจัดอกุศลวิตกที่ประตูเรือนใหญ่นะคือพระองค์เนี่ยเข้าไปในวังประทับเหนือนั่งบนบัลลังก์ทองคําเจริญฌานและอภิญญาให้เกิดเป็นพระราชาที่เยีย่ยมจริงๆเลยนะถึงขนาดขนาดนั้นนะพระองค์ก็ยังเจริญฌานและอภิน ญ, ญาเข้าไปยังในห้องที่เรือนทองเรือนเงินเป็นต้นเนี่ยเจริญพรหมวิหารสี่ ใจของพระองค์น้นอมไปด้วยฌานและสมาบัตตลอด8ปด0 0ีนน่ันปีนะเป็นพระราชาแบบ เ, เรียกว่าเล่นเป็นเด็กๆอยู่8ปด0มืี่พันปีเป็นอุปราชแปดห0สี่พปีเป็นพระราชาอีก8ปด0 0ี่พันปีแล้วก็เจริญฌานเนี่ยนะอยู่กับฌานสมาบัตอีก8ปด0มนี่พนะันปีเนันตอนนั้นพระองค์ก็มีสนมอยู่8ปด0มสี่พันคนมีพระนางสุพัทธาเป็นต้นเป็นหัวหน้า อามาที่ประชุมในที่นั้นเนี่ยนะก็เข้าไปเฝ้าในมรณะสมัยใกล้จะตายพระเจ้าสุทัศนะสอนว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปทวายธรรมมิโนอุปชิ ต, ตวานิรุชันติเตสังอุปสมโมสุโขคนที่พูดนี่คือคนจะตายนี่แล้วพูดคํานี้ออกมาคือพระเจ้าสุทัศนะได้แป่งคํานี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาชีวิตของเราทั้งหลายก็มีความเกิดเป็น เบื้องต้นในที่สุดก็จะต้องละทิ้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นและกระดูกกองเอาไว้ในโลกนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็แตกทําลายตายในที่สุดสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเข้าไปสงบสังขารเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตรัสรู้นิพพานเป็นที่สงบสังขารเหล่านั้นทั้งหมดได้นั่นแหละเป็นความสุขโปรองตรัสอย่างนี้จบโปรองก็จุติปฏิสนธิที่พรหมโลก สรุปว่าพะนางสุภัทธาในครั้งนั้นก็คือมารดาของพระราหุลในครั้งนี้ปรินายกแก้วก็คือพระราหุลบริษัทก็มาเป็นพุทธบริษัทธตอนนั้นนี่ของเราไม่ได้เป็นพุทธบริษัทธของท่านหรือไงนะแต่ตอนนั้นเดาทําอะไรอยู่เนาะไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยหรือช่วงนั้นน่ะเนีมันเกิดมาห่างอะไรขนาดนี้นี่ะส่วนพระราชามหาสุทัศนะคือพระโลกกนธาต สรุปเนี่ยนะว่าบารมีเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้ให้อย่างกว้างขวางให้แบบกระแสแม่น้ําที่ไหลลงไปสู่ทะเลเนี่ยนะใจของท่านน้อมไปที่จะให้อย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าคู่นานุภาพของพระองค์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ดํารงอยู่ในทวีปทั้ง4รุ่งเรืองด้วยรัตนเจแต่พระองค์ก็ไม่ได้พอใจอยู่ในโภคขสุขเท่านั้นแหละพระองค์ข่มกามวิตก พระองค์นี้กําจัดอกุศลมิตกเจริญชานาพิญญาสมาบัตได้ใจของพระองค์น้อมอยู่ในชานาพิญญาสมาบัตแ 84% หมืี่พันปีขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่น้อมไปในการให้มหาทานพระองค์แสดงธรรมมถาที่ปฏิสังยุตด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็บอกว่าชื่อเมืองยังไม่เหลือเลย นะชื่อเมืองนะตอนที่พระองค์ปริเรนี้ผ่านนะพระองค์บอกว่าแม้แต่ชื่อเมืองก็ยังไม่เหลือแล้วนี่นะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะนะพนะระองค์แม้กระทั่งพระองค์ก็สอนในให้ขวนขวายวิปัสนาคือเจริญปัญญาเพื่อออกจากวัตฏทุกเนี่ยนะปรับทัศนคติทําความรู้ความเข้นให้สอดคล้องจนสามารถแทงตลอดอริยสัจถ้าตรัสรู้อริยสัจก็ออกจากทุกขได้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งความขวนขวายในการเจริญ ปัญญาวิปัสสนาก็คือปัญญานั่นแหละเจริญปัญญาเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมเครื่องนําออกจากทุกข์บรรพุทธคือพระโพธิสัตว์นี้ก็คือบุรุษที่น่าอัศจรรย์ผู้ที่ยังใจให้เลื่อมใสก็ยังพ้นจากทุกข์จะ ก, กล่าวไปใยัยถึงการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ท่านนั่นนะจะไม่พ้นไปจากทุกข์สำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เชิญพร ก็ขออนุมโมทนาให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีอัธยาศัยที่สอดคล้องตามพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ทุกท่านอนุมโมทนา